โอกาสลงบ่กรมเพื่อนสธรรมิกจเจริญพรมาชีและญาติธรรมทุก ท, ท่านในวันนี้ก็พระอาจารย์โนธกนิมนต์ให้อธมาแสดงธรรมน ะ, ะช่วงนี้รู้สึกวก่าพวกเราก็จะทนทุกข์ทรมานกันพอสมควรเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วนะช่วงอากาศหนาวนี้เป็นช่วงที่เป็นความทุกข์ทรมานของทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะ อย่างมนุษย์นี่ก็มีะจะมีชาวต่างประเทศเนี่ยเดินทางมาเมืองไทยกันเยอะในช่วงนี้นะเพราะว่าจะหนีอากาศที่หนาวมานะบางประเทศนี่จะลบหลายสบองศานะอย่างยุโรปหรืออเมริกาทางเหนือเหนือขึ้นไปเนี่ยจะลบถึง10บองศาขึ้นไปนะและในประเทศจีนนี่ถ้าหนาวจัดจัดก็ถึงลบ5้าถึง60องศานะ มนุษย์ก็หนีหนาวกันมามาอยู่ในเมืองไทยกันเพราะเมืองไทยนี่หนาวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความสบายของเขาเป็นความที่สบายๆนะแล้วกสัตว์ทั้งหลายก็มีความทุกข์ไปด้วยนะตอนนี้เราจะเห็นนะมีไส้เดือนไส้เดือนตัวยาวๆเนี่ยเริ่มที่จะออกมาพื้นดินกันนะหนีขึ้นมากันโอ้ก็ขึ้นมาตายกันนั่นแหละขึ้นมาบนพื้นดินก็ต้องมาตาย เพราะว่าพื้นดินเนี่ยเริ่มจะแข็งเริ่มจะแข็งอันนี้ถ้าเปลี่ยนไปอย่างนึงก็คือว่าเหมือนกับบ้ามไส้เดือนเนี่ยเหมือนกับเป็นกิเลสของเราย่างหนึ่งนะพื้นดินนะพื้นดินก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ให้กิเลสอยู่ถ้าพื้นดินมีการที่แฉะไปด้วยน้ำในฤดูฝนไส้เดือนก็สามารถที่จะอยู่ได้นะเพราะว่าสามารถที่จะไป แพร่พันในนั้นก็ได้อยู่ได้นานนะเราก็ไม่เห็นไสเดือนนะซึ่งก็อยู่ในดินได้อย่างสบายนะแต่พอใส้ดินอพอพื้นดินเนี่ยเริ่มจะขาดน้ำพื้นดินก็จะแข็งขึ้นมานะเริ่มที่จะแข็งปั๊บเนี่ยสเดือนก็จะอยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีขึ้นมาจากพื้นดินขึ้นมาอยู่ข้างบนอันนี้ก็เปรียบเสมือนว่าถ้าหากว่ากิเลดมันเริ่มที่จะแห้งไป เริ่มที่จะแห้งไปแล้วเนี่ยกิเลสทั้งหลายเนี่ยเมื่อมันถึงการแห้งมันก็ติ้นลนออกมาอยู่ไม่ได้หรอกน ะ, ะใจของเราเนี่ยถ้าใจของเราเนี่ยเปรียบเสมือนพื้นดินแล้วเนี่ยมันก็พื้นดินที่มันแห้งแห้งไปถ้าใจของเราเริ่มที่จะแห้งแล้วเนี่ยกิเลสก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันน ะ, ะสิ่งที่มันแห้งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจในจุดนี้ว่ามันแห้งในอย่างไรนะ อย่างเมื่อกี้ที่เราสวดบทอริมักมีองแปกนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยเป็นลักษณะของทางสายกลางที่พระเจ้าให้ดำเนินในทางนี้จริงๆนะซึ่งเริ่มต้นด้วยปัญญาปัญญาก็เริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปร ซึ่งเป็นความดําริีชอบนะเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิก่อนนะสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบสัมมาสังโปรมีความดั่มิชอบนะเป็นการที่เราให้เกิดปัญญาก่อนนะหลังนั้นก็เป็นในทางสายกลางอีกทางหนึ่งก็คือให้มีศีล น, นะเริ่มจากสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวนะคือศีลแล้วก็มาลงท้ายด้วยนะ สัมมาสติอสัมมาวายาโม О, คือความเพียรเช่าสัมมาสติคือความรักชอบและสัมมาสมาธินะคือความตั้งมั่นชอบนะสีลสมาธิปัญญานั่นเองนะอันนี้ถ้าเราสรุปอีกอย่างอีกอย่างนึงคือให้มีอ่านะกายวาจาใจที่ชอบนะนะเป็นขนทางที่ดำเนินก็คือให้มีกายวาจาใจที่ชอบนั่นเองนะ กายกายก็มาจากสัมมากัมมันโตสัมมากัมมันโตก็คือให้มีศีหนหนั่นเองเองมื่อกี้ที่เราสวดกันนะสิน5สัมมากัมมันโตการงานชอบก็คือให้มีศิน5้านั่นเองนะท่าไม่ได้พูดถึงเรื่องการงานอื่นเลยพูดแต่เรื่องศิน5้าเท่า น, นั้นแล้วก็มาสัมมาอาชีโวนะก็ให้มีนะ อาชีพที่ถูกต้องไม่เป็นในทางมิจฉ า, า, า, า, า, าอาชีพอาชีพที่มิจฉาสมาธิไอ้พิมิจฉาอาชีพในทุกวันนี้มีเยอะมากเลยนะบางคนเนี่ยโอ้โหแทนที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยกลับไปทําลายสังคมมีอาชีพที่ไม่ถูกต้องเยอะแยะเลยแล้วก็มีเป็นเหตุให้เขาเกิดทุกข์ตามมาอีกนะเช่นค้าคขายแยเสพติดนะต่างๆลักเล็กขโมยน้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้องทางนั้นเลยเป็นหนทางแห่งความทุกข์เนี่ย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าห้ามไว้นะก็คือทางกายเนี่ยเราต้องมีศีลมีศีลก่อนนะและอย่างหนึ่งท่านเน้นก็คือเรื่องวาจาในสำคัญนะสคัญนะม่ให้มีวาจาชอบนะกายวาจาก่อนกายวาจาเมื่อกายวาจาดีแล้วเนี่ยใจก็จะดีไปด้วยนะใจนี่ก็เริ่มต้นตั้งแต่ที่สัมมาทิฏฐิอ่าสัมมาสังกัปป แล้วก็สัมมาวายโามคือความเพียรชอบนะแล้วก็สัมมาสติคือความระลึกชอบแล้วมาจบที่สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นชอบก็คือให้มีกายวาจาใจที่ชอบนั่นเองนะผู้ใด ท, ที่มีครบ3าอย่างนี้ก็ชื่อว่าดำเนินตามทางสายกางที่ถูกต้องแล้วนก็จะเจะความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะถ้าเราไม่ดำเนินตามสายเนี่ย มันก็เป็นหนทางที่ให้กิเลสนฝังตัวอยู่ในใจของเรานะกิเลสนี่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ในสมข้อนะเพราะถ้าเราดูให้ดีนะแล้วเนี่ยก็คือหนทางแห่งความทุกข์นั่นเองถ้าเราดําเนินไปผิดทางเนี่ยก็ชื่อว่าเราเสียเวลาเสียชาติเกิดเปล่าๆนะเพราะการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่ายากมา ก, พกเพราะว่าพองค์ได้ทรงตัดว่า สิ่งที่เป็นลาบอันประเสริฐนะลาบอันประเสริฐจริงๆในการที่เราได้พบเนะี่ยมีอยู่4ประการนะประการแรกก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์นะการเกิดมนุษย์นี่เป็นของที่ยากมากนะประการที่สองคือเมื่อเกิดมาแล้วมีชีวิตรอดอยู่นะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรามานั่งอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นผู้ที่โชคดีแล้วนะคนที่ อาตายก่อนเราแม้จะมีอยุน้อยกว่าเราก็มีตรงเยอะแยะนะประการที่สาก็คือได้พบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนะจริงๆแล้วในข้อนี้ถือว่าพวกเราเป็นคนที่โชคดีจริงๆนะเพราะว่าอย่าว่าแต่คนต่างประเทศเลยซึ่งไม่ได้พบพระพุทศาสนาแม้แต่คนในเมืองไทยเยอะแยะก็ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะหรือจริงๆแล้วแม้แต่คนที่อยู่ในวัดนะ บางแห่งหรือบางคนก็ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาก็มียู่ยแย่ไปนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะแม้แต่คนที่อยู่ในวัดซึ่งบางทีก็สวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นนะอันนี้จริงๆแล้วถ้าเขาไม่ได้ถึงตัวปฏิบัติธรรมนะไม่ได้เข้ามาสู่การเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาก็ไม่ชื่อว่าถึงพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดนะอันนั้นแค่แคมาอยู่ในเขตวัดเท่านั้นเอง และในสุดก็มาถึงข้อสุดท้ายคือการที่ได้พบพระ菩萨หนาแล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสฝังธรรมได้ปริบธรรมอันปเปิดนั้นนถ้าครบสี่ประการนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีลาบอันยิ่งใหญ่หาไม่ได้อีกแล้วเนี่ยให้เราถูกรตฤติสักร้อยครั้งติดติดกันก็สู้ได้พบมาลาบอันปรดนี้ไม่ได้ เพราะว่าถ้าเราไม่พบสิ่งเราเนี่ยเราจะประมาทไปอีกเยอะแยะเลยนะเราจะประมาทมากอย่างเช่นเราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบางทีโอ้โหทไมโมนุษย์นี่เยอะแยะเลยเยอะแยะแล้วว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากได้อย่างไรนะอันนี้ก็มีพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าเปรียบเสมือนกับว่ามีเต่าตาบอดตัวหนึ่งนะรอเมื่อร้อยปีก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือมหาสมุทรสักครั้งหนึ่ง และที่บนมาสมุทรนั้นก็มีลออเวียนนะซึ่งลอยไปลอยมาอยู่ทางไหนก็ไม่รู้ต่อเมื่อเต่าตาบอดเนี่ยโผลมากถึงเข้ามาอยู่ในกลางลออเวียนในเมื่อไหร่สักครั้งหนึ่งนั่นแหละชาจจได้เกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนะเราจะเห็นมั น, ม, นมันยากมากเลยนะเพราะว่าอย่าว่าแต่เต่าตาบอดเลยให้เต่าตาดีๆก็ยังโอกาสที่จะโผล่มากลางลออเวียนนะ่ะยากมากนะเพราะว่าลออเวียนนี่ลอยไปลอยมาก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนกลางมหาสมุทร นะเป็นการที่ยากมากแล้วก็ยังมีพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าอภิกษุทั้งหลายเธอจะเห็นกะไลนะว่าฝุ่นที่ติดอยู่ปลายเล็บของเราขณะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงช้อนฝุ่นขึ้นมาติดที่ปลายเล็บนะถามว่าฝุ่นที่ติดอยู่ปลายเล็บของเราเนี่ยกับฝุ่นในมหาลพีเนี่ยอันไหนจะมากกกันภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าฝุ่นที่ติดอยู่ปลายเล็บของพุทธองค์นั้น เทียบกับฝุ่นในมหาปฏภีนี้ไม่ได้เลยนะพระองค์ได้ทรงตัดว่าฉันใดก็ฉันนั้นการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นนะน้อยเท่ากับฝุ่นที่ติดไปลาเล็ของเราส่วนที่ไปเกิดในกำเนิดอื่นๆนีมีมากเท่ากับฝุ่นในมหาปฏภีปฏภีฉันนั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเพราะว่าในภพภูมิของอที่เทียบ ที่เราเห็นด้วยสายตาจริงๆของเราก็คือสัตว์เชรัชานเนี่ยมีมากทีเดียวนะมากกว่ามนุษย์นับไม่ถ้วนนะแม้ mm hmm. แต่จริงๆแล้วในวัดป่าสุตโตนี้เราก็เห็นได้ชัดนะตอนนี้เรามีคนอยู่ตีเต็มที่ตอนนี้ก็ไม่เกินร้อยคนนะแต่ว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยมีเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นนกเป็นหนูตุ๊กแกจริงจกนะปลวกมด โอโดยพ่อปวกก็มดนี่รวมก็ล้วน่าจะเป็นเป็นล้านล้านตัวนะถ้าเทียบแล้วในสัตว์ทั้งหมดในวป่าสุขโต น, น่าจะเป็นพันล้านขึ้นไปนะแล้วก็ในโลกนี่ยิงเยอะแยะนะที่เทียบกัไม่ได้เลยมีทั้งสัตว์ทะเลนะสัตว์ทะเลสัตว์น้ําปลาปูหอยกุ้งทั้งหลายแหลนะ่สัตว์บกอนะ่เป็ดไก่หมู วัวควายสัตว์เล็กสัตว์น้อยเยอะแยะนับไม่ถ้วนสัตว์อากาติพวกยุงพวกมแมลงต่างๆนกเนีเฉพาะสัตว์ที่เรามองเห็นด้วยตาเนี่ยก็เทียบกับมนุษย์เนี่ยก็ผิดกันเยอะแยะแล้วนีแล้วที่เรามองไม่เห็นด้วยสายตาอีกในพวภูมิต่างๆก็มีภูมิก็มีเปลือกสุรกายสัตว์นรกนี่เป็นทุกขติภูมิถ้าเป็นสัวตีภูมิก็มีเป็นเทวดาเป็นพรหม เนี่ยที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะแยะเลยนับไม่ถ้วนซึ่งจะเทียบกันไม่ได้อย่างแน่นอนนะเพราะนั้นถ้าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะเป็นเศษเสี้ยวพิเศษเสีเส้ยวนิดเดียวของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้จริงๆเนะพราะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจึงยากเช่นนี้เองนะการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นของที่ยากแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราคิดว่าเออเราชาตินี้เรา ปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่สำคัญรอไว้ชาติหน้าค่อยปฏิบัติก็ได้หรือไว้รอไว้พบพระศรีอานก็ได้อันนั้นชื่อว่าเป็นความประมาทเพราะการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมเช่นนี้หรือได้การฟังธรรมเช่นนี้เนเมื่อไหร่อีกชาติไหนเราจะได้มานั่งเช่นนี้อีกมาปฏิบัติธรรมแบบนี้อีกผลท่านี้ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจริงๆยากจริง ๆ, ๆ เพราะผู้ที่เป็นหลงหลงไปเกิดในเป็นสัตว์เลีชานเพียงชาติเดียวนะก็จะติดในภพชาติอันนั้นไปอีกนานนะเช่นไปเกิดเป็นไก่ไม่มีตัวไหนอยากจะตายหรอกนะหรือแม้จะเป็นสุนัขีเรือนก็ไม่มีตัวไหนอยากจะตายนะมีความรักชีวิตทั้งนั้นเลยเพราะเกิดเป็นสัตว์เลีชานแต่ะยางก็ไปติดในภพในชาตินั้นอีกนะจะหลุดจากชาตินั้นได้ยากนะเพราะฉะนั้นการที่จะหลุดจากแต่ละ พบแต่ละชาติในะยากมากเพรา ะ, ะนั้นการที่เราคิดว่าเราจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วมามีโอกาสนั่งปฏิ บ, รร บ, บัติธรรมแบบนี้ได้ฟังทำแบันี้อีกนะเป็นสิ่งที่ยากยากจริงๆนะดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือในขณะปัจจุบันนี้เรามีโอกาสนะได้พบกับลาภป็นรรมาเสดแล้วก็คือเราได้พบในสีอย่างนีครบถ้วนเลยนะครบถ้วนเลย ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆนี่ไม่ได้พูดเล่นๆแต่ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราจริงๆคนที่จะพบเช่นเนี่ยโอกาสมีน้อยๆยน้อยมากอาจจะมีแค่หนึ่งหนึ่งในล้านหรือหนึ่งในร้อยร้อยล้านหรือหนึ่งในพันล้านก็ได้นะถ้าคิดในทั่วโลกแล้วเนี่ยการที่เราได้พบสิ่งเหล่าเนี่ยเขาเรียกว่าเราได้สิ่งที่หาได้ยากยิ่งอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยมึงก็เราได้ประสบสิ่งที่หาได้ยากยิ่งแล้ว สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมีความเพียร น, นะมีความเพียรที่จะพบหนทางและค้นพบสัจธรรมนี้ด้วยตัวเราเองนะเหมือัเราถ้าเราเชื่อว่ า, าที่วัดป่าสุตโธนี้มีทองคําอยู่ฝังอยู่ใต้ดินนะเราก็ต้องมีความเพียรพยายามที่จะขุดลงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้พบทองคํานั้นนะแต่ถ้าเราขุดขุดไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไม่พบแล้วเราก็ท้อใจโอ้เราหยุดดีกว่านะ ปุ๊เนี่ยเราก็ไม่มีทางที่ได้พบทองคําอย่างแน่นอนนะแต่ถ้าเรามีความเชื่อฉะนั้นเราก็ขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้พบทองคํานั้นอย่างแน่นอนนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องอมีความเพียรในสิ่งเหล่านี้นะประการที่สําคัญก็คือคนเราเนี่ยก็จะมีความตั้งใจในการปฏิบัติหรือไม่นะก็เกิดจากสิ่งที่ว่าเราเห็นทุกข์หรือไม่นะ คนที่เห็นทุกข์แล้วเห็นทุกข์จริงๆว่าคนเราเนี่ยมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะเป็นความทุกข์จริงๆก็จะหาหนทางที่จะออกจากทุกข์ได้นะแต่ถ้าคนที่ประสบทุกข์แล้วแต่ว่ายังไม่เห็นทุกข์นั้นเขาจะไม่มีทางที่จะได้ลนลุลอออกจากความทุกข์อย่างแน่นอนนะเ <Swe> ขจะเห็นว่าชีวิตนี้เป็นความสุขนะเป็นความสุขเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาอย่างหนึ่งก็คือเราเห็นไหมว่า จริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่แม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยก็เป็นความทุกข์เท่านั้นนะเป็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นและตั้งอยู่ระดับไปซึ่งเราสามารถที่จะมองเห็นได้ในขณะนี้นะเช่นการที่เรามีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวต่างๆนะมีการลุกการนั่งก็เป็นการแก้ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะหรือที่เรา เอาผ้ามาพันคอเอาต้องมีอะไรกันหนาวซักยานนั่นก็คือการแก้ทุกข์ของเราเวลาที่เราหิวเราก็รับประทานอาหารเพื่อแก้หิวแก้ความทุกข์นั่นเองถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ชัดแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเราไม่มีอะไรนอกจากทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์น้นตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเพราะฉะนั้นในคําสอนของศาสนาจริงๆเมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีเพียง2ประเด็นเท่านั้น ก็คือให้เห็นทุกข์นะให้เห็นทุกข์ก่อนนะล้วประการต่อมาก็คือให้ปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์นั้นเนี่ยก็คือประเด็นสำคัญในพระศาสนาครั้นี้เมื่อเราได้พบว่าสิ่งเราต้องทำจริงๆแล้วเนี่ยการงานจริงๆของเราแล้วเนี่ยก็คือการที่เราปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์นั่นเอง เ, เราจะตั้งเป้าหมายได้ถูกว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะนี่ก็คือ สิ่งที่เราจะต้องโยนิโสมนัสการก็คือการที่เราทำใจให้แยบคายในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะหลายๆคนก็เสียเวลาไปเยอะเลยกับชีวิตนะทั้งชีวิตตลอดชีวิตก็มีนะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระนะไร้สาระคือการที่เราหากินในแต่ละวันนะด้วยความนะทุกข์ยากลำบากบางคนต้องขวนขวายทำงานตลอดชีวิต ไปไหนก็ไม่ได้นะติดอยู่กับการกับงานนั้นนะอันนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีห่วงผูกพันนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีโอกาสที่จะมาวัดปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดนะหรือนอกจากการติดในการงานแล้วก็ไปติดในทรัพย์สินนะติดในลูกในหลานนะติดในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแทบทั้งนั้นเลยบางคนก็เสียอายุแล้วแทนที่จะใช้เวลาอามา ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ก็ไปสร้างภาระอย่างอื่นๆขึ้นมาอีกนะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะถึงเวลาสักทีหนึ่งบางคนบอกว่าทำไมไม่มาวัดละ่ะเขาบอกว่าเขาก็ยังอายุไม่มากเท่าไหร่ยังไม่ถึงเวลาหรือบางคนบอกว่าต้องรอให้กิเลสมรดก่อนอันนี้ถ้ารอกิเลสมรดก่อนก็ไม่ต้องมาวัดก็ได้ นี่ก็คือสรุปให้พวกเราฟังว่าจริงๆแล้วผู้ที่มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเป็นคนที่โชคดีจริงๆหาได้ยากแล้วก็เป็นผู้ที่มีลาภมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะทำอย่างไรตั้งเป้าหมายถูกวางแผนของเราให้ถูกวางงานจริงๆของเราเนี่ยก็คืองานปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นั่นเองนะงนี้การปฏิบัติธรรมนี่เราจะปฏิบัติอย่างไรการปฏิบัติธรรมนั้น สิ่งที่ต้องสังเกตประการสำคัญก็คือเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยเรามีความโป่งเบาไหมมีความสบายกายมีความสบายใจไหมตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าปฏิบัติทำแล้วมีความเครียดมีความหนักนมีความกุ้มใจรู้สึกเหมือนกับเป็นภาระหนักๆที่เราจะต้องทำอันนี้ชื่อว่าปฏิบัติผิดนะ ที่ปฏิบัติผิดเนี่ยเพราะว่าเราไปบังคับเอาไว้นะผู้ที่ปฏิบัติในสายสมถะนี่หลายๆคนนะส่วนมากก็จะไปบังคับจิตเอาไว้ให้บังคับว่าไม่ให้คิดอะไรนะหรือว่าตั้งมา่านยนในกรรมฐานในกรรมฐานหนึ่งจนแน่นเกินไปนะเช่นการกำหนดลมหายใจจนจิตไม่ไปไหนนั่นเปียกเลยนะหรือกำหนดอยู่ที่มือที่เท้าบังคับให้จิตอยู่ที่มือที่เท้านะบังคับ ให้จิตไปรู้การเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งมันเกินความสามารถของจิตที่จะทําได้ก็จะทําให้เกิดความเครียดนะความหนักนะความทุกข์ตามมานะเพราะนั้นพระปฏิบัติทาแล้วเราเจอสิ่งหล่าเนี้ยเราผิดหมดเลยนะแล้วก็ไม่ใช่หนทางที่จะทำให้เกิดสัมมาสติไม่ใช่หนทางการเกิดสมมาสมาธิด้วยนะ แต่การปฏิบัติที่ถูกต้องนี่ต้องเริ่มให้ใจใมีความสบายก่อนนะปฏิบัติอย่างสบายสบายโดยที่เราไม่ไปบังคับจิตใจของเรานะการที่ปฏิบัติให้สบายก็คือการวางใจวางกายให้ถูกต้องก็คือวางกายให้คลายวางใจกลางๆนะไม่ไปเพง่งไม่ไปจ้องไม่มีก า, บารบังนคะับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากอย่างไรนะเกิดขึ้นเมื่อเราไปไม่ไปบังคับแล้วเนี่ย ก็คือเรามีหน้าที่เพียงแค่ตามรู้เท่านั้นเองนะตามรู้ตามรู้แบบสบายๆนะทำใจในการตามรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันจะไม่รับรู้ในสิ่งต่างๆอย่างง่ายๆนะใจมันชอบหลงไปนะว่าหลงพ่อคำเขียนท่านสรุปอยู่เรื่อยๆว่ามีหลงกับรู้เท่านั้นเองเมื่อหลงก็ไม่รู้นะเพราะนั้นเมื่อรู้ก็ไม่หลงสิ่งที่เราต้องทาก็คือรู้เท่านั้นนะรู้เท่านั้น รู้ไปในการเคลื่อนไหวของกายและใจนะปกติเนี่ยกายเราจะเคลื่อนไหวอยู่ยเรื่อยๆนะที่เราเป็นทำอยู่ในชีวิตประจาวันก็เยอะแยะนะมีการกวาดบ้านถูพื้นล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำใส่เสื้อผ้าอันนี้ถ้าเร า, าทำด้วยความหลงเราก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเราทาอะไรก็คือทาไปแล้วใจก็ลอยไปก็คือ กายก็ทำอยู่ส่วนหนึ่งใจก็ทำอยู่ส่วนหนึ่งกายกับใจก็ไม่ได้เป็นส่วนเดียวกันนะเรยกวาเรียกว่าหลงไปนะเป็นการแหลงแต่เมื่อในชีวิตประจำวันเรารู้แล้วว่าเราขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่นะมีการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็คือเราสามารถที่จะตามรู้ไปในอะรอบททั้งหลายอย่างสบายๆอันนี้ก็ชื่อว่าเราไม่หลงในทางนะที่กายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเราก็ตามรู้ไปนะ เพราะนั้นเราก็เลยมีการาทำเหมือนกับเป็นรูปแบบนิดนึงว่ามีการสร้างสืบสืจังบาะนี้ขึ้นมาให้เราตามรู้ในการเคลื่อนไหวของกายนะมือเคลื่อนไหวเราก็ตามรู้ไปอย่างสบายๆโดยเราไม่ไปเพ่งไปจ้องใส่อว้ววะส่วนใดๆมีหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองนะครานนี้นะเมื่อเรารู้ทางกายแล้วเานะเรียกว่ากายเคลื่อนไหวใจรรบรู้แล้วเนี่ย สิ่งที่มันจะตามก็คือใจที่ไปนึกคิดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องตามรู้ไปด้วยการตามรู้ในขั้นแรกนี่เราก็ต้องฝึกฝึกก่อนเริ่มจากที่ฐานกายก่อนนี่ละเมื่อกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เรียกว่าเราก็อยู่กับตัวรู้หรืออยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะปัจจุบันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปหาแต่อย่างใดเมื่อเราเกิดตัวรู้ในการเคลื่อนไหว ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ทื่ว่าเราก็อยู่กับปัจจุบันได้แล้วเ ม, มื่ออยู่กับปัจจุบันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เป็นอดีตหรือเป็นอนาคตที่เกิดขึ้นเราก็จะรู้ไปด้วยนะเพราะเราอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันธรรมเป็นขณะที่เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราขณะนี้อยู่ปัจจุบันหรือไม่โดยการที่เราสามารถที่จะเห็นว่าเออขณะเนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวอยู่นะเมื่อเ ร, รู้ปั๊บเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเลยแต่เมื่อเราคิดปั๊บไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่า ความคิดนั้นมัาหลุดจากปัจจุบันไปแล้วมันก็เข้าสู่อดีตหรืออนาคตนั่นเองนะเพราะนั้นการที่เราใจลอยแต่ละครั้งนั้นก็คือหลุดจากปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ทันเพราะว่าถ้าเราอยู่ปัจจุบันก็เหมือนกับเรานั่งอยู่ที่อาสนะหรือว่าเบาะนั่งเราเนี่ยคนอื่จะมานั่งไม่ได้นะแต่พอมานั่งปั๊บนี่เราจะรู้ทันทันทีเพราะว่ า, เ, าเรานั่งอยู่ก่อนแล้วมันก็เรานั่งอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยอดีตหรือนาคตเข้ามาเราจะรู้ทันทันทีนะ อันนี้ก็จะเป็นเหตุให้เรารู้การเคลื่อนไหวของใจได้ก็คือรู้การเคลื่อนไหวของกายและใจนั่นเองนะเป็นสิ่งที่สำคัญการที่เราเห็นการเคลื่อนไหวของใจนะเช่นเห็นความคิดเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะความรักความโลภความโกรธความหลงความกลัวความน้อยใจต่างๆเหล่านี้คืออาการของจิตทั้งหมดเลยนะ ในที่สุดเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่า ม, มันเพียงแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นนะไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีลังยั่งยืนอะไรหรือแม้แต่เรามีความโกรธมากๆากนะโกรธขนาดไหนก็แล้วแต่หรือเป็นความผูกกระคาดพยาบาทนะในที่สุดจิตก็ต้องกลับมาเป็นปกติอย่างเก่าทุกๆุกทางเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าจะกลับมาปกติได้เร็วหรือเปล่าผู้ที่ไม่มีสติไม่เคยฝึกเป็นบัตธรรมมาก่อนก็จะติดเนี่ยลมต่างๆเนี่ยนานมากนะ จากความโกรธกลายเป็นความอาฆาตความพยาบาทไปนะบางทีก็ผูกอาฆาตกันเป็นปีปนะหรือตลอดชีวิตก็มีนะอันนั้นที่ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสติจริงๆนะเพราะการที่เราผูกอาฆาตหรือพยาบาทใครอันนั้นก็คือเป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะหรือแม้แต่เราหงุดหงิดใครก็เป็นความทุกข์เป็นความทุกข์ของตัวเราเองทงั้งนั้นเลยนะ คนที่ไม่เข้าใจในการที่จิตเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกมีการกระเพื่อมต่างๆว่าเป็นอาการแห่งความทุกข์แล้วนะคนเหล่านั้นก็จะไปติดอยู่แต่อยู่ในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะเช่นแม้แต่สิ่งที่เราชอบใจนะความรักความชอบใจทั้งหลายเราก็ไปติดในสิ่งเหล่านั้นเราเข้าใจก็เป็นความสุขแต่ว่าไม่มีความสุขอะไรเลยนะ เาว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันก็ตกอยู่ในภรรยลักษ์ทั้งหมดนะกลายเป็นอนิจจังทุกขตตาทั้ ง, ท, งทั้งหมดนะไม่มีสิ่งใดๆที่มีความเที่ยงทั้งหมดก็เหมือนกับเป็นเหรียญที่มีอยู่2หน้านะมีหัวมีก้อยนะเหรียญจะไม่มีด้านเดียวจะมี2หน้าเสมอเพราะฉนั้นเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความทุกข์ก็ต้องตามมาอย่างแน่นอนนะถ้าเราเข้าใจในตัวเนี้ยเราก็จะไม่ไปไฝ่หาความสุขอีกนะ การที่เราไม่ไปไฝ่หาความสุขหรือความทุกข์ใดๆทั้งสิน้นนั่นก็คือการที่เราสามารถทำใจให้เป็นเบกขาได้ทุกๆลมที่เกิดขึ้นนะตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะสิ่งที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะวางใจให้เป็นปกติได้ในทุกๆลมได้นั่นเองนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็วางใจเป็นปกติได้เร็ว เพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าคนที่หัวเลาะได้ง่ายหัวเราะเร็วเนี่ยคนนั้นจะร้องไห้ได้เร็วด้วยนะเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยอ่อนไหวอ่อนแอนี่ไปในลมต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นจิตที่ไม่ปกติขึ้นขึ้ น, น, นลงลงอยู่เสมอนะ ถ, ถ้าเราสังเกตดูในสิ่งเ่าเนี่ยเราจะพบตัวเราเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมในการที่จเจริญสติ ในการที่เรากระทบอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสนะกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนึกคิดต่างๆนี่เราสามารถที่จะรู้ทันไหมนะนี่คือการปฏิบัติธรรมโดยตรงนะไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติธรรมโดยตั้งเวลาว่าเราปฏิบัติเวลากี่ชั่วโมงนะเดินจงกรมหรือเรานั่ง ยกมือสร้างย่างว่าวันละกี่ชั่วโมงอันนั้นเป็นแค่การรูปแบบเท่านั้นหรือว่าพูดจริงๆแล้วก็คือเป็นของปลอมนะการที่เราปฏิบัติธรรมเป็นของปลอมทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนะแล้วก็เราจะทําปฏิบัติธรรมเช่นั้นไม่ได้ตลอดเวลาส่วนของจริงคืออะไรของจริงคืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นเองคือเรามีความคิดทั้งวัน มีอารมณ์ต่างๆในใจของเราทั้งวันนะมีความรักความชังความชอบความไม่ชอบความน้อยเนื้อต่ำใจนะสิ่งต่างๆเราเนียมันปรากฏในใจของเราทั้งวันเลยนะแล้ว เ, เราสามารถรู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นในใจแล้วนะสิ่งเหล่านี้คือของจริงต่างหากนะของจริงที่มันกระทบขึ้นในใจของเรามันผุดขึ้นในใจของเราตลอดเวลาแล้วเรารู้ทันไหม ถ้าเราเข้าใจในจุดนี้เราจะปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าขึ้นนะการที่เราสามารถที่จะกระทบอารมณ์แล้วเราหลุดจากอารมณ์ได้เร็วนะให้ใจเป็นเบรกคาเดินเร็วนะใจเป็นปกติเดินเร็วนี่แหละคื อ, อตัวจริงของการปฏิบัติธรรมส่วนที่เรามาสร้างยังหวะหรือเดินจง ก, การมนั้นอันนี้คือหนทางเท่านั้นเองนะหนทางที่จะให้เราเข้าไปสู่ตัวจริงนะตัวจริงในการที่จะรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น นะเราต้องรู้ว่าเป้าหมายนั้นคืออะไรถ้าเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆแล้วเรายังสังเกตตัวนี้ไม่ออกนะเราปฏิบัติธรรมมาหลายวันแล้วยังสังเกตตัวนี้ไม่ออกก็แสดงว่าเรายังไปติดในแค่รูปแบบเท่านั้นยังไม่เข้าใจถึงเนื้อหาจริงๆว่าคืออะไรนะเพราะนั้นบางทีเราจะเห็นว่าคนที่มาปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ตั้งใจจริงนะแต่เวลากลับบ้านไปแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งกลายเป็นะ กลับไปบ้านนะก็เป็นคนหงุดหงิดยังเก่านะกระทบอารมณ์อะไรก็ยังติดอยู่ในลมเหล่านั้นนะแต่ว่ามาวัดทีนึงก็มาปฏิบัติเต็มที่แต่กลับไปก็เป็นยังเก่าเพราะว่าเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าตัวปฏิบัติจริงๆคืออะไรนะตัวปฏิบัติจริงๆก็เหมือนกับว่าเราได้ชกมวยนั่นเองนะการที่เรามาฝึกปฏิบัตินะมายกมือสร้าง่าหรือได้ยกลมนะี่เหมือนกับเรา หัดชกกระสอบทรายนะซึ่งกระสอบทรายมันก็โต้เรากลับไม่ได้แต่ถ้าเราได้ขึ้นชกมวยกับนักมวยจริงๆนะเขาก็จะชกเรากลับนะดูได้เราโดนชกเนี่ยเราจะทนไหวไหมนะชกมาเราจะหลบทันไหม น, นี่คือการที่เราได้พบของจริงนะคือการกระทบลมจริงๆเป็นแบบนี้นะแล้วเราดูว่าเมื่อเรากระทบแล้วเนี่ยเราออกจากลมได้ไหมนะเป็นปกติได้เร็วไหมเนี่ยคือการปฏิบัติตัวจริงเลยนะ เพราะนั้นเราไม่ต้องไปให้ใคราถามใครว่าเราปฏิบัติได้ผลไหมเราสามารถที่จะพิสูจน์ด้วยตัวเราเองว่าเราได้ผลในการปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็ต่อเมื่อเราได้พบของจริงแล้วเนี่ยเราออกจากอารมณ์พวกนั้นได้ไหมกระทบอารมณ์แล้วมีความโกรธความหงุดหงิดเนี่ยเราสามารถเป็นปกติได้เร็วไหมนะอันนี้ก็คือหนทางแห่งาการปฏิบัติที่จริงๆหรือว่าเป็นทางสายกลางจริงๆก็คือความเป็นมัชฌิมาปฏิปทา หรื อ, อความเป็นปกติความเป็นอุเบกขาในใจของเราที่สามารถที่จะอะ อ, อกจากร่มต่างๆได้นั่นเองนะนี่คือของจริงจริงๆแล้วไม่มีอะไรยิงวันนี้แต่ว่าความเป็นของจริงนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวจริงนั่นแหละเพราะเบื้องหลังแห่งความจริงทั้งหลายก็คือปตายรักนั่นเองก็คืออนิจจังทุกข์อนัตตาเพราะว่าถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นในสิ่งเหล่านี้นะก็คือเราต้องเห็น พระไตรลักษณ์อย่างชัดแจ้งเมื่อเราเห็นพระไตรลักษณ์อย่างชัดแจ้งแล้วเนี่ยอันนี้มันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งหลายว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นของเขาแต่อย่างใดนะยิ่งเมื่อปฏิบัติเป็นนานๆเนี่ยเราจะเข้าใจในชีวิตเรามากขึ้นนะจะมองจากการที่เมื่อก่อนเราเคยเห็นตัวตนของเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะใครจะมากระทบอะไรเราไม่ได้นะ เราจะก็จะค่อยๆอยู่ในที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆมองเห็นตัวตนของเราเนี่เหมือนกับตัวละครตัวหนึ่งบนโลกเท่านั้นนะตัวละครตัวนี้มันมันวันหนึงไม่มีอะไรนะนอกจากว่ามันจะมีแต่ความยินดีดนร้ายซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดมั่นในตัวของเราเป็นหลักนะลองสังเกตดูสมมติ ว, ว่ามีกลุ่มคนหนึ่งก็กาลังนินทาใครอยู่ก็ไม่รู้นะ พอเราไปฟังโอ้โหนินทานี่เราสนุกไปด้วยโอโ้ยิ่งนินทาเราก็ยิ่งสนุกกับเขาเราก็แอ บ, บแอ บ, บฟังแต่ก็บอกว่าเนี่ยที่นินทาทั้งหมดเนี่ยเราได้ยินชื่อก็คือตัวเราปุ๊บเนี่ยเราจะเกิดความโกรธทันทีเลยนะเพราะฉนั้นก็จะนินทาใครก็ได้เราจะไม่ทุกแต่ถ้าเมื่อไรที่การนินทามากระทบเราเราจะมีความทุกข์มีความโกรธทันทีนะอันนี้นะเพราะว่าเรายัางรู้ไม่ทันความเป็นตัวเป็นตนที่มันสมมุติขึ้นมา ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเราไปยึดเอาร่างกายนี้จิตใจเนี่ยเป็นตัวของเราเป็นการไปขี้ตู่นั่นเองเป็นการไปขี้ตู่เพราะเราคี้ตู่ปุ๊บเราก็ไปจับเลยว่านี่เป็นของเราแล้วนะอะเพราะฉะเมื่อเราไปจับในสิ่งนเหล่านี้ยอะไร ก, ก็แล้วแต่ซึ่งมากระทบตัวเราปุ๊บเนี่ยเราจะมีความทุกข์ทันทีเพราะว่าเรารู้ไม่ทันมันนั่นเองแต่แล้วเราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามันเป็นธาตุ เท่านั้นเองนะถ้าสีดินน้ํำลมไฟอมัา ป, ประกอบขึ้นชั่วคราวนะไม่ใช่ตัวไม่เอาตนของเรานะแล้เราก็ไม่ไปยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ในอะไรทั้งสิ้นเลยนะไม่เราก็ไม่มีส่วนได้เสียกับกายนี้นะใครจะมาด่ามาว่าอะไรเราก็เฉยๆกับมันไม่ได้กระทบอะไรกับเราจริงๆนะมันเป็นสิ่งบางอย่างที่เราเข้ามาใส่อยู่ชั่วคราวแล้วเราก็จากไปนะ ถ้าเรามองเห็นในสิ่งเหล่านี้มันเป็นของที่มันสมมุติขึ้นมาไม่ไปยึดติดนะในสิ่งที่สมมุติต่างๆไม่ติดในร่างกายไม่ติดในชื่อในเสียงในสิ่งที่สังคมเขาตั้งสมมุติขึ้นมาว่าเป็นตัวของเรานะยิ่งสังคมที่สร้างนากากให้เราแรงแรงมากขึ้นนะมีการยกย่องเราในรูปแบบต่างๆบางคนเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรี เป็นผู้มือการต่างๆเนี่ยตัวตนก็ยิ่งแรงขึ้นเพราะก็สวมหัวขนให้ก็เลยไปรับบทนั้นนะอันนี้ตัวตนก็ยิ่งจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะตราบใดที่เรายังยึดมั่นในตัวตนนะว่าเป็นของเราแล้ว เ, เราจะไม่มีทางที่จะพ้นจากความทุกข์ไปได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหรที่เราเริ่มเห็นแล้วว่ า, ากายและใจนี้ไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเรา เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เราเข้ามาใสอยู่ชั่วคราวทั้งกายและใจ เ, เราก็จะสามารถที่จะเห็นความจริงได้และเราสามารถที่จะเข้าถึงใสยธรรมได้ในที่สุดนะว่าสิ่งต่างนั้นนะเป็นแค่ความสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองนะสมมุติขึ้นมาโดยที่เราจะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราก่อนเมื่อความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราเนี่ยน้อยลงไปแล้วเนี่ยความยึดมั่นในสิ่งต่างนะ นอกจากตัวตนของเราแล้วเนี่ยเป็นร่างกายบุคคลอื่นเยอะแยะทรัพย์สินสมบัติต่างๆเราก็จะยึดมั่นถือมั่นน้อยลงไปด้วยเพราะความที่เรายึดมั่นน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นแหละเป็นอุปทานที่จะน้อยลงไปนะอุปทานน้อยลงไปเมื่ออุปทานน้อยลงหรือขาดไปแล้วเนี่ยภพชาติก็จะขาดไปด้วยนะซึ่งเป็นไปตามหลักของปฏิจจสมุปาทนะ น, นี่จะย่อลงมาในหลักสุดท้ายนะว่า นะผัสสะผัสนสะะที่มากระทบกับอจยต น, นะจะทําให้เกิดเวทนานะเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุบทานนะอุบัานเป็นปัจจัยให้เกิดพบเกิดชาติเมื่ออุบัานหรือความดมั่นในตัวตนของเราเนี่ยหมดไปนะพบชาดก็รับหมดไปด้วยนะเมื่อพบชาติหมดแล้วเนี่ย ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะหรือความทุกข์หลากหลายที่จะตามมาอีกมันก็ไม่มีนะเพราะว่าอุบทานมันหมดไปแล้วเนี่ยภพชาติกำลังขาดไปในจุดนี้นะสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะได้ตั้งเป้าหมายในการที่เดินทางได้ถูกทางหนทางแห่งการเปิดเกิดปัญญาก็เกิดในจุดนี้เองนะและในเป้าหมายนี้เราจะเห็นว่าเราใช้ชีวิตในชาตินี้อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วเราไม่เสียชาติเกิดแล้วและไม่เสียชาติที่ได้พบ ครูศา ส, สนาแต่อย่างใดนะเป็นโอกาสสำคัญจากหนึ่งในพันล้านที่เรามีโอกาสได้มาปริธรรมที่วัดป่าสุโตในครั้งนี้นะเพรา ะ, ะนั้นก็ขอให้เป็นกำลังใจแก่ทุกท่านเนี่ยแล้วให้ทุกท่านตั้งใจบัติด้วยความที่มีวิริยะจิตตะวิมังสาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้ในชาติประจบัตินี้ทุกท่านเทิน